วันนี้เป็นวันคล้ายวันมรณภาพของหลวงพ่อเทียนสิบสามกันยาท่านมารณภาพปีสามหนึ่งนะก็ผ่านไปแลป้วยี่สิบเจ็ดปีหลวงพ่อเทียนเป็นอาจารย์ทางธรรมคนเดียวคนหลวงพ่อคำเขียนก็ว่าได้นะหลวงพ่อคำเขียน ท่านได้รู้ธรรมก็เพราะการได้มาปฏิบัติกับหลวงพ่อคำหลวงพ่อพเทียนท่านมาปฏิบัติตั้งแต่สมัยยังเป็นโยมนะแล้วก็พอได้รู้ธรรมเห็นธรรมนะก็เกิดศรัทธาที่จะปฏิบัติอย่างจริงจังนะก็เลยออกบวชหลังจากปฏิบัติกับหลวงพ่อพเทียนได้ แค่สองสมเดือนคำสอนของหลวงพ่อคลงเขียนนะโดยพระในเรื่องวิธีการปฏิบัติเนี่ยก็มาจากหลวงพ่อเทียนนี่แหละการยกมือสร้างจังหวะการเดินจงกรมเพื่อให้เกิดสติ ค, ความรู้สึกตัวหลวงพ่อเทียนเป็นพระปฏิบัติที่ไม่เหมือนพระกรรมฐานทั่วไป โดยเพราะพระกรรมฐานที่มีชื่อในปัจจุบันเพราะว่าพระกรรมฐานส่วนใหญ่นั้นที่เรารู้จักกันท่านเป็นพระป่าหลายท่านก็บวชตั้งแต่เป็นเนรแล้วก็ได้อยู่ป่าเขียวกรมดยการออกธุ ด, ดงบำเพ็ญกรรมฐาน ทมกวางความสงบสงัดแต่ว่าหลวงพ่อเทียนแตกต่างนะเพราะว่าท่านก็เป็นคราวดามาเรียกว่าค่อนชีวิตก็ว่าได้ท่านเพิ่งมาบวชก็ปีสี่ตอนที่ทายุสีสิบแปดปีละปีสอง0ันห้าร้อยท่านเคยบวชพระครั้งหนึ่งก็บวชตามประเพณีนะแต่ว่า ก็ไม่ได้อะไรนอกจากศรัทธาในพระตนักไตรตอนที่ท่านบวชนี่ท่านก็รู้ธรรมแล้วนะถึงมามาบวชรู้ธรรมตอนที่เป็นโยมนะหลังจากนั้นได้สองสามปีท่านก็มาบวชนะเพราะรู้สึกว่าการที่จะสอนธรรมะในเพศคารว่า น, นี้นะมีอุปสรรคเยอะนะ ถ้าสอนในเพจบันทึกนะจะเผยแพร่ไปได้กว้างไกลกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยพูดถึงภูมิหลังความเป็นมาของท่านเนี่ยก็แตกต่างจากพระกรรมฐานนะที่เป็นครูบาอาจารยนะ์ที่เป็นที่เคารพนับถือกันโดยทั่วไปนะค่อนข้างมากถ้าความที่ท่าน ไม่ได้มีประสบการณ์การบวชอย่างยาวนานก่อนที่จะรู้ธรรมเนี่ยนะท่านก็จึงไม่ค่อยยึดติดกับประเพณีเท่าไหร่ไม่ค่อยยึดติดกับพิธีกรรมนะแต่สอนที่มุ่งไปสู่นะความหลุดพ้นเลยนะเนยเพราะนะการที่ใช้สติความรู้สึกตัวนี่แหละนะเป็นเป็นฐานนะและเป็นที่มั่น ซึ่งก็กเป็นสิ่งที่ผู้เจ้านะย้ำเหมือนกันนะว่าสติปัฏฐานเนี่ยมันเป็นเสมือนดินแดนหรือทางโคจรของผู้เป็นบิดาผู้เจ้าเคยเปรียบว่าเนี่ยสัตว์เนี่ยไปหากินถ้าออกนอกจากพื้นที่ของบิดานะก็อันตรายอาจจะโดนสัตว์ร้ายาทำร้ายได้ แต่ถ้ า, าว่าอยู่ในดินแดนหรือว่าทางโครจรนะของบิดาก็จะปลอดภัยจากอันตรายอันตรายในที่ว่านี้ก็หมายถึงมารหมายถึงกิเลสนะนะสติปัฏฐานเนี่ยเป็นเป็นทางโครจรหรือเป็นดินแดนของบิดาที่จะให้ความปลอดภัยหรวงพ่อเทียนเดิมเนี่ยนะท่านชื่อพันธ์นะ เทียนเนี่ยเป็นชื่อของลูกนะนะประเพณีไทยหรือว่าแถวทางเมืองเลยใครมีลูกแล้วเขาก็เอาลูกชายคนโตนี่แหละเอาชื่อลูกชายคนโตเนี่ยเป็นชื่อเรียบก็เรียกพ่อเทียนพ่อเทียนก็คือพ่อของนายเทียนนั่นแหละพอบวชแล้วก็เลยเรียกว่าหลวงพ่อเทียนนแต่ชื่อจริงนั่คือพันพันอินทรผิวเป็นพ่อค้านะ เป็นพ่อค้าที่ค้าขายขึ้นล่องนะเชียงคานเวียงจันทร์นะท่านเกิดที่เชียงคานเนี่ยที่เดี๋ยวนี้เป็นที่รู้จักกันทั่วไปสมัยก่อนเนี่ก็เป็นก็เป็นเมืองที่มีความสําคัญนะเพราะว่าอยู่ติดแม่น้ำโขงค้าขายกับเมืองลาวนะก็กที่เชียงคานนี่แหละท่านก็ไปผููที่ฝ่ายบุญฝ่ายกุศลมากนะ เรียกว่าทำบุญนะเรื่องการให้ฐานที่ทำเต็มที่แต่จุดเปลี่ยนสิางสำคัญเนี่ยก็เกิดขึ้นตอนที่ท่านเป็นเจ้าภาพทกาถินที่เมืองเลยเมืองลาวท่านก็มอบหมายให้ภรรยานเนี่ยจัดการเรื่องเงินนะเรื่องมหรสศพจะเป็นลิกเกจะเป็นหมอรำนะหรือว่านังนี่ก็ให ภรรยาเนี่ยดูแลใครจะมาเบิกเงินอะไรก็มามาเบิกกับภรรยาเป็นหน้าจริงภรรยาส่วนท่านก็จะถือศีลอนุบสถแล้วก็รับแขกอันนี้ก็น่าสนใจนะท่ากระถิ่นนี่แต่ว่าท่านถือศีลอนุบสลดท่านก็ถือว่าอันนี้ก็เป็นการบ ำ, บำเพ็ญบุญเหมือนกันแต่ว่าเช้านะวันที่จะท่ากระถินเนี่ยก็รู้สึก หลังจากนั้นเสร็จแ้วถากทิมไปแล้วตอนเช้าก็ภรรยาก็มาถามท่านเรื่องค่าใช้ใจ่ายเกี่ยวกับมหรรศนะท่านโกรธมากเลยนะโกรธมากว่าเนี่ยมอบหน้าที่ให้แล้วนี่ก็ยังม า, ายังมายุ่มยากกว่าท่านอีกนะแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรนะแต่เก็บความโกรธความไม่พอใจไว้ท่านบอกรู้สึกเหมือนเหมือนก็ต่ำใจมาก ่จริงก็ดูเป็นเรื่องเล็กน้อยนะแต่ว่าท่านโกรธมากนะแล้วก็แม้กระทั่งตกเย็นเนี่ยถึงเวลาทานอาหารก็ยังมีความขุนเคืองอยู่แล้วก็บนอยู่หลายครั้งเลยนะว่าเนี่ยคนเรานี่ไม่รู้จักเคารพนับถือกันเปอยมาหลายครั้งเนี่ยภรรยาก็ถามพอทราบความก็เหลือโอ้ยเจ้านี่ตกนรกแล้วนะ ถึงแม้ทําบุญเท่าก็ถิ่นแต่ก็ตกนรกแล้วตกนรกเพราะอะไรตกนรกเพราะความโกรธความไม่พอใจทําบุญแต่ว่าใจไม่เป็นบุญนะมันก็เหมือนก็ตกนรกนะคําพูดสั้นๆเนี่ยของภรรยาทําให้หลวง่อเทียนเนี่ยท่านฉุกคิดขึ้นมาแทนที่จะโกรธภรรยานะว่ามาว่าแล้วก็ตกนรกโลซาะทําบุญเต็มที่ท่านกลับได้คิดนะเออ ให้เราทําบุญมาทําไมใจเลายังไม่เป็นบุญยังมีความโกรธอยู่ท่านก็เลยเห็นความสําคัญการภาวนานะก็เลยหันมาใส่ใจกับเรื่องการทํากรรมฐานมากขึ้นถึงกับเรียกว่าไม่ทํางานทําการละเรื่องงานการเรื่องค้าขายก็ให้ภรรยาไปท่านก็ออกสแสวงหาครูบาอาจารย์แต่ว่า ครูบาอาจารย์ที่ท่านพบที่ท่านรู้จักหรือปฏิบัติด้วยก็ไม่ได้ช่วยทําให้ท่านพ้นทุกข์นะจนกระทั่งท่านได้มาเจอหนทางด้วยตัวเองตอนที่เจอเนี่ยก็ไปเข้าไปเข้าปฏิบัตินะสมัยนี้ก็คงเรียกว่าคอร์สนะไปเข้าปฏิบัติอยู่ที่น้องที่ว่าทห่งน้องคายแต่วิธีปฏิบัติของท่านเนี่ยท่านท่านก็คิดของท่านขึ้นมาเองโดยการประยุกต์จากที่ท่านเคยเห็นจากที่เมืองลาวคือการเคลื่อนไหวมือ แต่ว่าทางนั้นเนี่ยเขามีบริกรรมนะบริกรรมว่าติ่งนิ่งติ่งนิ่งติ่งก็คือไหวแต่ถ้าไม่ไม่บริกรรมเลยเอาความรู้สึกตัวยกมือพลิกมือไปพลิกมือมาเนี่ยเหมือนที่เป็นการสร้างจังหวะที่เราเห็นนี่แหละแล้วก็มีนก็อาศัยความสติความรู้สึกตัวในหลวงที่ปฏิบัติก็มีเรื่องเล่าว่าขณะที่กําลังนั่งปฏิบัติเนี่ยก็มี แมงป่องแม่ลูกอ่อนตกลงมาที่อที่ตักเนะี่ยที่ขาเนี่ยแทนที่ท่ตกใจทนะ่าไม่ตกใจนั้นก็ดูนะแล้วก็เห็นลูกของแมงป่องที่มันออกมาท่านก็เอามือเอาไม้มาพาดขาไว้แมงป่องก็ยึดไม้ไว้ท่านก็เลยเดินเอาไปปล่อยนะที่คันนาตอนที่เดินนี่ก็มีสติรู้ตัวไปด้วยเนาวพอกว่าเกิดความเปลี่ยนแปลงทางจิตนะเข้าใจนะ เรื่องรูปนามเรื่องเรื่องสมมุติเรื่องปรมัทิต์นะเรื่องไต้ลักษ์เนี่ยไอ้ตอนนั้นเองแล้วก็วันนั้นก็มีความเปลี่ยนแปลงทางจิตนะสืบเนื่องมาอีกนะเรียกว่าภายในวันสองวันนี้ท่านก็เข้าใจทำอย่างแจ่มแจ้งนะและนี่ก็เลยนะเป็นอ่าเป็นจุดเริ่มต้นของหลวงพ่อเทียนแหละนะแล้วท่านก็สอนทำนะให้คนได้เข้าใจธรรมะมากมาย แต่ว่าก็มีปัญหานะเป็นค า, ารวะเนี่ยและสิ่งที่ท่านสอนเนี่ยเป็นการสอนที่แหวกแนวจากสมัยนั้นนะเพราะว่าสมัยนั้นก็เน้นเรื่องการทําบุญเรื่องการอถือศีล น, นะเรื่องพิธีกรรมนี่เป็นเรื่องสําคัญมากสวดมนต์สารพัดนะแต่ว่าหลวงพ่อเชินท่นไม่เอาเลยนะท่านมุ่งไปที่การปฏิบัติล้นลวนๆไม่มีพิธีกรรมอะไรทั้งสิน้นนะอันนี้ก็คงจะ เป็นที่ไม่พอใจนะของคนที่ยังติดในพิธีกรรมนะรวมทั้งพระท่านก็เลยมาบวชนะปีสมัยท่าร้อยแล้วก็สอนทำเก้าปีหลังจากนั้นก็หลวงพ่ อ, พอคเขียนนะซึ่งนั้นยังเป็นโยมอยู่ก็ได้มาพบตอนที่ปฏิบัติวงพ่อเทียนเนี่ยหลวงพ่ อ, พอคเขียนก็ใจก็ไม่ลงให้นะเพราะว่าท่านยังติดในเรื่องของสมถะ วเวลาท่านปฏิบัติสมถะท่านก็พบกับความสงบนะเวลาสงบแล้วเนี่ยเกิดนิมิตสามารถที่จะไอ้นิมิตก็ทําให้ใจเนี่ยยิ่งสงบเนะี่ยยิ่งเพลินนะียบางทีก็เห็นใบเห็นมีดเนี่ยมันพริ้วเหมือ น, นกับยอดหญ้าเลยหรือรู้สึกว่าตัวเนี่ยคับแน่นทั้งห้องอคนที่เจอหนิมิตแบบนี้ก็ชอบนะเพราะมันตื่นเต้นดีมันเหมือนกับว่าเรามีคนในวิเศษเนะ่ แต่พอมาปฏิบัติกับหลวงพ่อเทียนท่านก็ให้ในเรื่องความรู้สึกตัวนะไม่เอาสมถะมันถ้าเราว่าสมัยหนึ่งในช่วงนั้นเนี่ยตอนที่ท่านปฏิบัติอยู่อยู่ในกุติหลวงพ่อเทียนก็มาถามว่าทําอะไรอยู่หลวงพ่อพเงียวบอกกํากลังสร้างจังหวะครับหลวงพ่อเทียนถามว่าเห็นข้างนอกเห็นข้างในไหมหลวงพ่อพเขียนก็บอกว่า เห็นแต่ข้างในครับข้างนอกไม่เห็นแล้วทํำยังไงตอถึงจะเห็นข้างนอกต้องเปิดประตูพอเปิดประตูก็เห็นหลวงพ่อเทียนอยู่ข้างหน้าเห็นข้างนอกเห็นข้างในไม่เห็นครับนะเออให้ทําอย่างนั้นนะ่ะนะให้ทําอย่างนั้นคืออะไรก็เห็นข้างนอกข้างในเห็นนี่ไม่ได้เห็นด้วยตานะแต่เห็นด้วยสตินนะก็คือว่า ท่านก็หลวงพ่อคำเขียนก็คิดอยู่นานนะว่าหลวงพ่อเทียนจะสอนอะไรเ พ, พราะสมัยหลวงพ่อเทียนท่านไม่ค่อยสอนมากท่านใช้วิธีแบบสนทนาแล้วก็ทำให้ฉุกคิดก็ได้ข้อสรุปว่าเนี่ยหลวงพ่อเทียนเราสอนวิญญาอยากคิดออกไปข้างนอกนะแล้วก็อย่าเพ่งเข้ามาข้างในนะซึ่งอันนี้ก็คือการวางใจเป็นกลางกลงนั่นเองนะรู้ข้างนอกก็คือรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นข้างนอกนะ จะเป็นภาพจะเป็นเสียงก็รับรู้นะแต่ว่าไม่ไม่ฟุง้งนะไปตามภาพที่เห็นไปตามเสียงที่ได้ยินแต่เดียวกันก็ไม่เพ่งเข้ามาข้างในนะเพราะว่าการนักปฏิบัติที่เน้นสมถทานจะเพ่งมากนะก็จะมาเพ่งไปเพ่งมาบางทีเข้าไปในความสงบนะแทนที่จะเห็นความสงบ พ่อเด่นก็สอนอยู่เสมอนะว่านีให้รู้ทันความคิดนะอย่าเข้าไปในความคิดแล้วก็อย่าอย่าไปหยุดความคิดก็คือเป็นทางสายกลางนั่นเองนะวางใจเป็นกลางกลางแล้วก็ให้ใจอยู่กลางกลางด้วยนะก็คือว่าไม่ส่งจิตออกนอกตะพึ่ตะพือจนฟุ้งหรือว่าไม่เพ่งเข้ามาข้างใ น, นจนกระทั่งมันมืดหรือว่าติดอยู่ในความสงบไม่เข้าไปในความคิดแค่เห็นมันดูมัน แล้วก็ไม่ไปหยุดความคิดด้วยก็คือรู้ซื่อๆนั่นแหละนะคาว่ารู้ซื่อๆนี่ก็มาจากพรมวัเทียนนะก็คือรู้เฉยๆรู้โดยที่ไม่เข้าไปแทรกแซงเห็นอะไรเกิดขึ้นหรือว่ามี อ, อาการใดเกิดขึ้นกับใจก็แค่รู้รู้มันเฉยๆนะไม่คล้อยนะแล้วก็ไม่ไม่ผักสายมันนะไม่ผักสายไม่ไขว่คว้านะก็คือเห็นมันตามความเป็นจริง อันนี้ก็เป็นเป็นเป็นพื้นฐานนะของการสอนของหลวงพเทียนนะในระหว่งที่ใจไม่คิดนี่ก็ให้รู้กายไปกายที่กําลังเคลื่อนไหวด้วยการยกมือด้วยการเดินนะอันนี้ก็คือกายเคลื่อนไหวก็ให้เห็นนะเห็นก็คือรู้สึกรู้สึกว่ากายเคลื่อนไหวรู้สึกว่ามันมีการเดินแต่ไม่ใช่ว่าไปบริกรรมว่าเราเดินไม่ใช่บริกรรมว่า เรากำลังสร้างจังหวะเอาอ น, นังนไมเป็นความคิดอยู่นะเอาความเอาใจเนี่เข้าไปไปรู้สึกนะหรือว่าเปิดใจรับรู้นะถึงความรู้สึกของกายนะในยามที่มันเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเดินไม่ว่าจะพลิกมือไปพริกมือมาหรือว่ายกมือสร้างจังหวะเมื่อสติละเอียดสติไวเนี่ยนะแม้แต่เวลากระพริบตา หรือว่าเกลือน้ำลายก็จะรู้นะไม่ใช่รู้เพราะไปเพ่งไม่ใช่รู้เพราะไปดักจ้องแต่ว่าพอมันเกิดขึ้นแล้วก็รู้รู้ทีหลังเมื่อมันรู้ทีหลังที่มันทำงานแล้วเกิดขึ้นแล้วค่อยไปรู้นะอันนี้รู้เพราะว่าเพราะสติไวนับภาษาแลวกับความคิดนะสติก็จะรู้ทันได้ไวเนยะตอนที่หลวงพ่อคาเขียนไปปฏิบัตินะกับ หลวงพ่อเทียนนะท่านก็ท้าทายหลายอย่างนะหืองพ่อคาเขียนก็มีความทุกข์นะปฏิบัติมาสองอาทิแล้วยังไม่รู้รูปนามเลยขนาดเน้นตัวเล็กๆนี่ปฏิบัติแค่ไม่กี่วันก็รู้รูปนามก็ไปไปปรึกษาหลวงพ่อเทียนนะก็ถามว่าหลวงพ่อเทียนเนี่ยปสอนมาสอนมาเนี่ยมีใครบ้างที่ไม่รู้ไม่รู้ทำมดเจ๋อบอกไม่มีเลยนะ หลวงพ่ออมแขก็เลยบอกเนี่ยก็คงคงมีผมเนี่ยคนแรกนี่แหละนะที่ไม่รู้ทำจริงแรกท่านคิดว่าเนี่ยท่านทําบุญมาน้อยนะเพราะว่ายากจนไม่เหมือนหลวงพ่อเทียนนี่ทําบุญมาเยอะแต่หลวงพ่อเทียนก็ท้าทายไปเนี่ยถ้าปฏิบัติกระทำจริงๆเนี่ยก็จะรู้ทำถามว่าเดือนหนึ่งได้เงินเท่าไหร่เงินเดือนไหลได้อะท่านบอกหนึ่งพันบาทนะเพราะท่านเป็นช่างเป็น เป็นหมอทำเป็นหลายอย่างเนะี่ยหนึงพันสมานนั่นก็ถือว่าเยอนนะท่านก็บอกว่าเนี่ยถ้าปฏิบัติธรรมจริงๆทั้งเดือนเนี่ยทําไม่ได้อะไรก็จะให้เงินหนึ่งพันบาทเป็นค่าเสียเวลาแต่ปรากว่าพอท่านปฏิบัติจริงๆได้นะไม่กี่วันนะ่ะท่านก็เห็นธรรมเข้าใจรูปนามอันนี้ก็คือเห็นว่าเนี่ยรู้ว่าเนี่ยเห็นเลยนะว่ามันไม่มีเรานะมันมีแต่รูปกับนามและรูปนี่มันรูปที่ เราคิดวเป็นเราเนี่ยมันก็เป็นรูปที่ไม่ตายจากสิ่งอื่นทั้งหลายทั้งปวงนะที่เรามองเห็นด้วยตาสัมผัสด้วยด้วยกายเนี่ยนั่นก็รูปเหมือนกันนะร่างของเราสังขารของเราก็รูปเหมือนกันนะอันนี้มันทําให้คลายจากความยึดมั่นนะในในตัวกู เพราะว่าคนเราเนี่ยก็จะคิดว่ามีฉันมีฉันตลอดเวลาแทนที่จะเห็นว่าเออมันเป็นแค่รูป ก, กับนามหรือกายกับใจอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้หลวงพ่อคําเขียนท่านนะเกิดศรัทธานในการปฏิบัติจกนกระทั่งออกบวชอย่างที่เล่ามาราว่าเทียนท่านมีวิธีการสอนที่ปแปลกๆนะเพราะว่าท่านไม่ค่อยเก่งเรื่องการแสดงธรรมท่านเป็นพระร่างเล็กนะ แล้วก็เสียงเบาๆนะมองถ้ารู้จักผ่านพาเ น, นี่ยก็สึกว่าท่านไม่ค่อยหน้าเกรงขามเท่าไหร่ไม่เมื่อจามังรูปนี่เสียงดังนะแล้วก็ดูมีสง่าราศีดูหน้าเกรงขามเนะี่ยหลวงพ่อหลวงพ่อเทียนไม่มีเลยนะแต่ว่าพอได้สนทนากับท่านก็จะรู้สึกนะถึงความนะมั่นอกมั่นใจหรือว่าความความความหนักแน่นและความมั่นคงของท่าน ซึ่งอันนี้ก็คนที่อยู่ใกล้ชิดก็สัมผัสได้อาจารย์โกวิทเนี่ยเขยมนันทะเนี่ยเมื่อประมาณปีหนึ่งแปดะไปจำพรรษาอยู่ที่วัดชนรปทานอัตมาก็ไปรู้ จ, กจักอาจารย์โกวิทครั้งแรก ก, ก็ที่นั่นแหละวัดชนรปทานตอนนั้นลสนาตัวสิทธกูเนี่ยพาไปพอลสนาเนี่ก็ศรัทธาในอาจารย์โกวิทและพรรษานั้นหลวงพ่อเทียนเนี่ยก็มาสอนพระด้วย นะแต่ไม่ได้สอนแบบเทศนานะไอการเทศนานี่ก็เป็นเป็นหน้าที่ของอาจารย์โกวิดอาจารย์โกวิดนี่ได้มีประสบการณ์แปลกๆกับหลวงประเทียนเยอะนะเพราะหลวงประเทียนท่านก็พยายามที่จะมาพยายามที่จะให้อาจารย์โกวิดเนี่ยเห็นความสำคัญนะของการปฏิบัตินะโดยที่ไม่ต้องติดคาพีนะบางทีก็วังวันก็มาหาแล้วก็บอกขอยืมขอยืมได้หน่อย ขอยืมกันไกลหน่อยพออาจารย์โกวิทให้ก็บอกให้หลวงพ่อเทก็บอกให้อาจารย์โกวิทเนี่ยขึงได้เสร็จแล้วท่านก็เอากันไกลนี้ตัดตัดได้ขาดไปเลยแล้วก็บอกว่าเนี่ยต้องทําให้ถึงจุดนี้นะถ้าไม่ถึงจุดนี้เนี่ยก็ยังไม่เรียกว่ารู้จักพระพุทธเจ้าอาจารย์โกวิทนี่อาา่านพระไตรปิฎกมาเยอะนะแล้วก็รู้คําคสัอนของพุทเจ้ามากนะ แต่ก็โดนหลวงพ่อเทียนท้าทายนรนี้ว่าถ้าไม่ทําถึงจุดนี้เนี่ยไม่รู้จักพระเจ้าหรอกไอ้จุดนี้คืออะไรนะท่านก็แสดงออก้วยการเอากันกายตัดนะตัดได้ให้ขาดบางคราวหลวงอาจารย์กูวิศเนี่ยนั่งสมาธินะท่านชอบนั่งตามลมหายใจแล้วท่านติดสงบมากหลวงพ่อเทียนก็มาข้างหลังแล้วก็เอามือเอานิ้วเนี่ยจิ้มที่มือนะเอานิ้วจิ้มจิ้มที่มือนี่บอก นั่งทำไมนะคือเตือนให้มารู้สึกตัวนะวิธีการของหลวงพ่อเทียนก็แบบนี้แหละนะใช้การแสดงออกเอานิ้วจิ้มที่มือให้รู้สึกตัวนะอย่าไปติดที่ความสงบคนที่ปฏิบัตินะกับหลวงพ่อเทียนสมัยที่วัดปา่าวัดปา่โาโพธิญาณเนี่ย ถ้าเราว่าบางวันวันดีคืนดีหลวงว่อเทียนก็เอาผ้ามาคลุมผ้าคลุมศีรษะนะพอเดินผ่านพระก็เอาผ้าคลุมนั้นออกคนก็งงว่าไอ้ท่านกำลังสอนอะไรนะนะคิดไปคิดมากาท่านคงสอนแล้วว่าอย่าไปติดสมถะนะเพราะว่าติดสมถะมันก็เหมือนว่ามันมืดนะมองไม่เห็นอะไรต้องให้รู้สึกตัว การรู้สึกตัวนี่เป็นสิ่งสําคัญมากที่หลวงพ่อเทียนท่านเน้นให้รู้สึกตัวบาที่ท่านก็ใช้คําว่ารู้สึกรู้สึกนะแต่รู้สึกนี่ไม่ได้หมายถึงเวทนานะเวลายกมือก็ให้รู้สึกนะรู้สึกอะไรรู้สึกว่ามือกําลังยกนะไม่ใช่คิดเอาแล้วไม่ต้องไม่ต้องดูได้ตานะถึงแม้หลับตายกมือถ้าเรามีความรู้สึกตัวมันก็จะรู้สึกแต่ถึงแม้เปิดตาแต่ใจลอย นะคิดโน่นคิดนี่มันก็ไม่รู้สึกนะว่ามือเคลื่อนอันนี้เราก็สังเกตได้นะเวลายกมือถ้าใจลอยเนี่ยมันก็ไม่รู้สึกตอนนั้นเรียกว่าไม่รู้สึกตัวนะหรือว่าเพ่งเหมือนกันนะถ้าเพ่งนี่มันก็ไม่ได้รู้สึกตัวนะมันก็จะรู้เฉพาะจุดแต่ไม่ได้รู้สึกตัวทั่วพร้อมอาจารย์โกวิท์เนี่ยท่านติดเพ่งมากนะตอนหลังมาม า, มาปฏิบัติหลวงพ่อเทียน พอหลวงพ่อเทียนบอกให้รู้สึกตัวท่านก็พยายามให้รู้สึกชัดๆก็โดยการเพ่งพอเพ่งก็เกิดความสงบนะพอสงบแล้วก็ติดเลยนะติดทั้งสงบติดทั้งเพ่งหลวงพ่อเทียงก็ามาเตือนนะมาสอนเนี่ยท่านเอามือขวามือซ้า ย, ยประกบกันเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วก็เอามือแล้วก็เอามือเคลื่อนไหวเนี่ยเคลื่อนไหวไปเคลื่อนไหวมาถามว่าเห็นไหมเคลื่อนไหวอย่างเร็วๆเนี่ยอาจารย์กก็บอกว่า ถ้าเห็นมือข้างหน้าก็ไม่เห็นมือข้างหลังถ้าเห็นมือหลังก็ไม่เห็นมือหน้าผลวงพ่อเดีก็เลยถามว่าทาําไมถึงเห็นทั้งสองมือนะก็ต้องเห็นผ่านๆมองผ่านๆ น, นั่นแหละนะทําอย่างนั้นแหละนะก็คือว่าไม่เพ่งนะก็ให้ให้มองแบบผ่านๆมองแบบ ร, มรวมๆนะอันนี้คนที่ปฏิบัติเนี่ยเวลายกมือสร้างจังหวะเนี่ยก็จะไม่ค่อยส่วนใหญ่ก็มักจะเพ่งนะเพราะอยากจะให้รู้สึกตัวชัดๆ แต่นะั่นมันไม่ใช่รู้สึกตัวทั่วพร้อมแล้วล่ะนะให้รู้แบบผ่านๆ น, นะรู้รวมๆนะอันนี้ก็ทําให้อาจารย์กุวยนีเข้าใจนะอ๋อให้รู้สึกตัวเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะมันไม่ใช่เพ่งเรื่องความรู้สึกตัวนี้สําคัญมากนะมันเป็นพื้นฐานในการทําทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งการทําความดีการให้ทานเนี่ย ถ้าทําด้วยความไม่สุกตัวเนี่ยก็เป็นใจไม่เป็นบุญนะอาจจะเป็นอ ก, กุศล น, นะอย่างที่หลวงพ่อเทียนเนี่ยท่านได้เจอมาด้วยตัวเองนะอทอดกระถิ่ น, เ, นเงินทุ่มไปหลายนะสมัยนั้นคงจะเป็นหมื่นนะหมื่นสมัยนั้นก็ค ง, งแพงมากแต่ว่าพอไม่รู้สึกตัวแล้วก็โกรธนะพอไม่รู้สึกตัวก็เหมือนกับลงนรกไปเลยอย่างที่ภรรยาท่านทักหรือว่าทวงเอาไว้ รักษาสีก็เหมือนกันนะถ้ารักษาสีเนี่ยไม่รู้สึกตัวนะมันก็เกิดมานะขึ้นมานะหรือไม่ก็เกิดความทุกข์นะจากการที่จะเกิดความยากลำบากยิ่งภาวนาด้วยแล้วเนี่ยต้องมีความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวเป็นฐานเพื่อให้ใจเนี่ยได้มาเห็นความจริงถ้าไม่รู้สึกตัวนะมันก็ไม่เห็นของจริงนะ ของจริงก็คือกายกับใจลูกกับน้มนี่แหละถ้าไม่รู้สึกตัวก็ไม่เห็นของจริงมันก็จะถูกความคิดครอบงำเอาไว้หรืออารมณ์ครอบงำเอาไว้หรือว่าเกิดการปรุงแต่งขึ้นมานะเป็นกูเป็นตั ว, เ ป, ตวเป็นตนแล้วถ้าไม่เห็นของจริงแล้วมันก็ไม่เห็นความจริงนะไม่เห็นความจริงนะก็คือหลวงพ่อเตน่นใช่ไหาัวัตถุปรมาติอาการวัตถุนี่ก็หมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างนะ ทั้งรูปธปรรมและนามธรรมนะหรือจะเรียกว่าสังขารก็ได้เพราะสังขารในในธรรมในพุทธศาสนาเนี่ยก็หมายถึงทั้งรูปธรรมและนามธรรมซึ่งก็ตรงกับคำว่าวัตถุของวัตถิยนนะ์นปรามัดเนียวัตถุทั้งหลายเนี่ยนะถ้าเราปฏิบัติจริงก็จะเห็นความเป็นปรามัดของมันนะและอาการต่างและความเป็นไปต่างๆที่เกิดขึ้นนะ่นก็คืออาการความโกรธ ก็ดีความเศร้า huh. ก็ดีความทุ اف, มกขนะ์มันก็เป็นศักแต่ว่าอาการนะแต่คนเราเนี่ยถ้าไม่ไม่มีสเตทนะมันก็จะสึกว่าความโกรธก็เป็นอันหนึ่งนะความเศร้าก็เป็นอันหนึ่งนะความเสียใจก็เป็นอันหนึ่งความคิดก็เป็นอันหนึ่งนะแต่ที่จริงมันก็เป็นแค่อาการนะอาการนี่ก็เหมือนกระแสนะก็คือแปลเปลี่ยนไปเรื feminine, Shan, ่อยๆมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปเหมือนกับกระแสน้าที่ เรามองนะมันก็เป็นแค่อาการแต่มันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนะอันนี้จะเห็นได้ก็ต้องเข้าใจความเป็นปรมามัดของมันอันนี้เป็นภาษาลูกบัณฑิตนะซึ่งก็เข้าใจยากนะแต่ว่าครูบาอาจารย์นั่นก็สามารถจะพาไปถึงได้ถ้าว่าเรามีความรู้สึกตัวจริงๆดี๋ยว่าแต่นักปฏิบัติทาเลยนะคนที่ใช้ชีวิตทั้งโลกเนี่ยก็ต้องมีความรู้สึกตัวนะ จะทํางานทําการให้สําเร็จได้ก็ต้องอาศัยความรู้สึกตัวแม้แต่จะขับรถไปทํางานเนี่ยก็ต้องอาศัยความรู้สึกตัวนะเพราะว่าถ้าไม่มีความรู้สึกตัวเนี่ยก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ขับรถใจลอยขับแล้วก็กลางหงุดหงิดคุณเครื่องนะกับจราจรนะความผิดพลาดของมนุษย์นะที่ทําให้ต้องเสียใจในภายหลังเนี่ยมันก็เกิดจากการที่ไม่รู้สึกตัวนะ อย่างผู้หญิงคนหนึ่งนะก็เป็นผู้หญิงทำงานมีลูกเล็กลูกน้อยนะสองสามขวบก็มีพี่เลี้ยงปกติก็เวลาจะไปไหนมาไหนก็ถ้าเอาลูกไปด้วยก็มีพี่เลี้ยงนะขึ้นรถไปด้วยแต่ว่าวันหนึ่งวันนั้นเนี่ยพี่เลี้ยงนะไม่อยู่นะลา ง, งาน ส่วนแม่ของเด็กก็ต้องไปซื้อของต้องไปซื้อของในห้างมีงานเลี้ยงนะตอนเย็นต้องไปจับจ่ายก็พาลูกเนี่ยนะนั่งเบาะหลังแล้วก็ขับรถไปถึงห้างนะเป็นห้างคเดอะมอลหรือบิ๊กซีเนี่ยเป็นที่จอดรถกว้างๆลาน ก, ลกว้างๆโลง่ลงๆระหว่างที่ขับรถใจก็นึกถึงว่าจะซื้ออะไรบ้างช h อปปิ้งลิสต์เต็มไปหมดเลยนะ พอถึงที่จอดรถก็รีบลงจากรถนะแล้วก็เข้าไปในห้างไปซื้อของของสารพัดเลยไปเป็นชั่วโมงนะพอซื้อเสร็จเข็นรถนะมาที่ที่จอดรถไอ้รถที่หมายถึงรถที่ใส่ของอันนะมาถึงที่จอดรถตกใจทิ้งลูกเอาไว้ชิงลูกเอาไว้ในรถนะแล้วตอนนั้นก็เป็นกลางวันด้วยแดด ก, ก็ร้อน เกิดอะไรขึ้นก็คงเดาออกได้นะเด็กเป็นยังไงอันนี้เรียกว่าเพราะความลืมตัวนะไม่รู้สึกตัวเวลาขับรถใจมันลอยพอถึงที่จอดแล้วก็รีบลงเลยลืมไปนะว่ามีลูกอยู่ข้างหลังอยู่ที่เบาะหลังนะมารู้ตัวก็ตอนที่เห็นลูกนะหมดสภาพไปแล้วนะเรื่องแันนี้เกิดขึ้นบ่อยมากนะ เพียงเพราะไม่รู้สึกตัวเป็นเพราะลืมตัวนี่ก็อย่าว่าแต่การปฏิบัติธรรมเพื่อความพ้นทุกข์เลยนะแม้แต่แม้แต่การใช้ชีวิตทั้งโลกให้ดีได้เนี่ยมันก็ไม่ใช่ง่ายดัการ <c oughs> คนเราคนเราเนี่ยถ้าถ้าไม่รู้สึกตัวแล้วเนี่ยไม่มีสติ ค, ความคิดว่าครอบงาอารมณ์ก็ เล่นงานจิตใจได้หมว่าเทียนทพูสวอนะคนเรานี่ทุกข์เพราะความคิดนะคนเรานี่ทุกข์เพราะความคิดไม่ชุดไม่ใช่ทุกข์เพราะคนอื่นนะไม่ใช่ทุกข์เพราะคนอื่นไม่ใช่ทุกข์เพราะงานมีปัญหานะไม่ชุไม่ใช่ทุกข์เพราะดินฟ้าอากาศไม่ใช่ทุกข์เพราะว่าภาวะเศรษฐกิจไม่ใช่ทุกข์เพราะลูกน้องนะแต่ทุกข์เพราะความคิดความคิดในใจ ความคิดที่เราไปคิดว่าเป็นเราเป็นของเราความคิดที่มันชักนาให้เราลืมตัวนะเวลามีความคิดท้าไม่รู้ทันนะมันเป็นนายเราและมันก็สามารถทำให้เราเนี่ยทำอะไรต่อและได้สารพัดสั่งให้ดา่นะสาสั่งให้ทำลายเข้าของนะสั่งให้ไม่ยอมกินไม่ยอมนอนนะทำให้หมดอะไรตายอยากกับชีวิต นะทำให้เบื่อนายกับชีวิตมันเริ่มต้นที่ความคิดที่จริงความคิดก็ดีนะถ้าเราใช้มันแต่พอเราไม่มีสติเนี่ยนะมันก็ใช้เรานะมันเป็นนายเราเลยแล้วคนเราเนี่ยพอตกเป็นท่าของความคิดแล้วนะโอยมันสามารถจะทาให้สั่งให้เราทำอะไรก็ได้แม้กระทั่งสั่งให้ฆ่าตัวตายก็ได้ แต่คนเราเนี่ยถ้าไม่ไม่หมั่นดูใจไม่หมั่นมองตนนะก็ไม่ไม่ค่อยตระหนักเลยนะว่าจริงๆแล้วทุกข์เพราะความคิดที่เกิดขึ้นในใจไม่ใช่ทุกข์เพราะคนอื่นเขาด่าว่าอะไรนะถ้าไม่เก็บเอามาคิดมันก็ไม่ทุกข์งานจะล้มเหลวยังไงถ้าไม่เก็บเอามาคิดนะมันก็ไม่ทุกข์นะหรือไม่ไม่แต่ถ้าคิดเป็นนะเออก็เอามาทบทวนตัวเองว่าทาไมเราโกรธ หรือมาทบทวนตัวเองเออที่เขาพูดจริงไหมนะหรือว่าถ้า ง, งานมันไม่สําเร็จก็มาทบทวนดูประเมินดูศึกษาหาบุเรียนดูว่าเป็นเพราะอะไรอย่างนี้ได้ประโยชน์นะได้ประโยชน์จากความคิดเพราะเราใช้ความคิดแต่เป็นเพราะไม่รู้จักไม่ทอดทันความคิดความคิดมันเลยใช้เราแล้วก็เลยทําให้เกิดอารมณ์ครอบงาำต่างๆฉั้นถ้าไม่รู้จักไม่รู้ทันความคิดนี่ก็แย่นะไม่ว่าจะ ทางโลกหรือทางธรรมก็ตามก็ไม่ประสบความสำเร็จได้ก็มีแต่ความทุกข์